ขนอบน้อมต่อคุณพระรัตนตรัยค <c oughs> รูกาญหลวักรงกรมพระอาจารย์ทรงศิลป์เพื่อนสัตยมิตรทุกท่านจเจริญธรรมไม่ทีเลีติธรรมทุกท่านเนอะเราก็ได้มาปฏิบัติธรรมกันเนาะวันนี้ก็นะวันที่หกแล้วนะพวกเราพรุ่งนี้ก็คงจะได้กลับกันแล้วนะทําไมเราจึงมาปฏิบัติธรรมกันนะเพราะว่า คิดว่าท่านทั้งหลายเนี่ยก็คงจะเห็นว่าการปวิธรรมนี่แหละเป็นหนทางในการออกจากความทุกข์เนาะเพราะคนเราเนี่ยจะมีแต่ความทุกข์นะความทุกข์กายทุกข์ใจเนี <c> ่ย <oughs> เป็นสิ่งที่ว่าเราะจะต้องรู้และเข้าใจในชีวิตเราการปฏิธรรมนั้นเป็นหนทางแห่งการที่เรียกว่าความทุกข์จะได้ลดน้อยลงถ้าเราทําได้ถูกต้องนะ เพราะความทุกกายทุกใจนี่แหละมันเป็นหนทางนะที่ว่ า, าทําให้เราเนี่ยมีแต่ความาขับคล่องใจไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างที่เราสวดมนต์ตอนเช้าเนาะเชาปิตุภิทุกขาความเกิดกเป็นความทุกขชะลาปิทุกขาความแ ก, ก่เป็นทุก์ราามรณำปิทุกขังความตายก็เป็นทุกโสกะปริเทวัตุขโทมณสุปายาสาปิ ความโศกความรำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแคนใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์การพัดภาคจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นๆก็เป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานขันทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนีเห็นไหมผู้วิจาก็ได้ทรงแสดงไว้อย่างชัดเจนมาในความที่เรียกว่าเราต้องเห็นความทุกข์ ถ้าเราไม่เห็นความทุกข์จริงๆแล้วนะคนก็ไม่อยากจะมาปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าไม่รู้จะปฏิบัติไปทาไมแต่ถ้าเราเห็นความทุกข์เนี่ยเราก็ตั้งใจจะแบบทากันนะเพื่อว่าจะได้ออกจากความทุกข์ได้นะครัว น, นี้นะการที่เราจะออกจากความทุกข์นี่นะมันมีอยู่สองประการคือออกจากความทุกข์ทางกายหรือทางใจ ความทุกข์ทางกายนี้จริงๆเราแก้เขาไม่ได้นะเมื่อเราเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นสิ่งที่แน่นอนที่เราหลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วความทุกข์ทางกายที่จอดมาอีกมากมายนะตอนนี้บางท่านก็จะรู้สึกว่าปวดเมื่อยนะอยากจะเลี่ยนะหรือปหรือง่วงนอนน ะ, ะความหิวนะต่างๆเหล่านี้คือความทุกข์ที่จอดมาใช่แต่ว่าความทุกข์เหล่านี้เราเราแค่แก้ไขได้ชั่วคราวเท่านั้นนะ เราง่วงเราไปนอนเราก็ง่วงใหม่นะก็ต้องไปนอนใหม่หิวไปทานอาหารก็เดี๋ยวก็ความหิวปรากฏขึ้นมาอีกนะก็ต้องไปทานอาหารใหมนะ่หรือปวดเมื่อยใกล้ระบทนะไปยืนเดินนั่งนอนก็ต้องเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆเป็นการแก้ทุกข์ไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นความทุกข์ทางกายเนี่ยเราไม่อาจจะแก้ไขได้อย่างถาวอนนะส่วนความทุกข์ทางใจนี้นะมีความทุกข์ที่นะ จริงๆแล้วดูเหมือนกับจะน้อยแต่มันกับทาให้คนมีความทุกข์มากกว่านะคนสามารถฆ่าตัวตายได้จากความทุกข์ทางใจนะที่เราได้ข่าวบ่อยๆบางทีสูญเสียคนรักคนรักทิ้งต่างๆก็เป็นเหตุให้ฆ่าตัวตายได้นะหรือนะเป็นหนี้เป็นสินต่างๆมากมายก็ฆ่าทีเดียวทั้งครอบครัวเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ทางใจนะมีมากนะแต่ว่า ความทุกข์ทางใจที่มีมากเนี่ยเรากับสามารถที่จะแก้ไขได้อย่างถาวร น, นะให้เขาหมดไปได้เหนะมือนกับพระอรหันต์นั้นนะท่านก็แก้ความทุกข์ทางใจได้แล้วท่านก็มีแต่ความทุกข์ทางกายเท่านั้น <c oughs> ส่วนความทุกข์ทางใจท่านก็ไม่มีนะเ <c oughs> พราะนั่นการที่เรามาปฏิบัติธรรมก็คือเราจะมาแก้ทุกข์ทางใจกันนะเมื่อความทุกข์ทางใจหมดไปแล้วนะนั่นแหละคือความพ้นทุกข์หรื อ, อเข้าถึงพระนิพพาน นะครา้ น, นี้เราจะแก้ได้อย่างไรนะพระพุทธเจ้าก็ได้บอกคนทางไว้แล้วในสติปฐานสก็มีากายเวทนาจิตธรรมนะครั้นี้การธรรมนี้เราก็เริ่มในฐานกายก่อนโดยเพราะในวิธีลงมาเทียนแล้วนะก็มารู้กายเรานี่แหละนะท่านให้รู้ในอินบทสก็คือยืนเดินนั่งนอนนะพระพุทธเจ้าบอกว่ายืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รูน้นั่ ง, น, งนอนก็รู้ว่นอน นะอันนี้คือความจริงที่เรากลับมารู้นะในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะต่อมาก็นะสัมผััญญาปัตภนะท่านก็ให้รู้ในบทย่อยต่างๆนะนะเหลียวซ้ายแลงขวาเดินหน้าถอยหลังก้นะมเงยนะคู่แขนเหยียดแขนทรงจีวรสังฆาตนะิหรือเข้าห้องน้ำอุจจลระปัสสวะนะดื่มกินพูดคิด ลิ้มเคี้ยวต่างๆเหล่านี้กใใ็ให้มีความรู้สึกตัวในการกระทําเหล่านั้นนั่นก็คือพระเจ้าให้กลับมารู้ความจริงในแต่ละขณะที่เราเป็นอยู่นะว่าขณะนี้เรากําลังทําอะไรนะตอนนี้เรานั่งอยู่เราเรารู้ไหมว่าเรากําลังนั่งนะถ้าเรารู้ว่ากำลังนั่งนี่เราปฏิบัติธรรมแล้วนะนะเรายืนนะถ้าเรารู้เรายืนเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วเราเดินนะ รู้เราเดินก็ปฏิบัติธรรมแล้วนะหรือบางบางท่านกําลังยกมือนะพิกมือถ้าเรารู้ว่าเรากําลังทำเฉะนั้นก็ชื่อว่าเราเจริญสติปฏิบัติธรรมแล้วนะพระพุทธเจ้านะไม่ได้สอนสิ่งที่อื่นอื่นไกลหรือว่าไกลแต่ทรงสอนจากที่เราไม่รู้ก็คือเราทําด้วยความเคยชินนะก็จริงๆแล้วเราก็เคยเดินมาตลอดชีวิตแล้วนะนะหรือเราก็ อ, อาจจะ ทำสิ่งต่างมาตลอดชีวิตแล้วนะแต่ว่าการกระทําเช่นนั้นน่ะมันเป็นการทํำด้วยความเคยชินนะเช่นเราเดินแล้วก็เดินนะแต่การเดินเราเดินด้วยความเคยชินเราไม่ได้กลับมารู้ว่าเราขณะนี้กำลังเดินนะแล้วในขณะที่เราเดินแล้วก็คิดไปด้วยนะการคิดก็เป็นความหลงไปก็คือเราทํำด้วยความหลงนะแต่ว่าพระพุทธเจ้าให้เปลี่ยนจากความที่เราหลงคือความเคยชินทั้งหมดนั่นแหละกลับมาให้เป็นตัวดูแทน นะเพราะการหลงนั่นแหะมันคือการหลงเข้าไปในอดีตหรืออนาคตทั้งนั้นนะคราวนี้ท่านให้รู้อย่างไรก็ให้กลับมารู้ในความเป็นปัจจุบันนั่นเองนะปัจจุบันก็คือขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เรารู้ไหมว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ทางกายและทางใจนะทางกายเรานั่งอยู่เรารู้ไหมนะเรามีความคิดเกิดขึ้นในขณะนี้เรารู้ทันไหมนะ ความที่เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันนี่แหละเมื่อเรารู้ใจเข้ามารับรู้การเคลื่อนไหวทางกายหรือใจคิดนึกนี่แหละคือความรู้สึกตัวเกิดจากการที่เราอยู่กับปัจจุบันเนาะความจริงแล้วแต่ละขณะเป็นปัจจุบันทั้งนั้นนะมันจะไม่มีคำว่าวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไม่มีนะพรุ่งนี้มีอยู่แค่ในความคิดเราขณะนี้เท่านั้นเองเพราะเมื่อถึงพรุ่งนี้ก็จะกลายเป็นวันนี้เนาะ เพราะนั้นพรุ่งนี้ก็จะไม่มีในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็ไม่มีนะเมื่อวานนี้ก็มีอยู่แค่ในความคิดเราเท่านั้นนะเพราะขณะนี้เราอยู่ในขณะนี้ปัจจุบันพรุ่งนี้หรือเมื่อวานไม่มีนะมีแต่วันนี้เท่านั้นนะเพราะนั้นความที่เป็นอดีตก็ไม่มีอนาคตก็ไม่มีอดีตก็คือความคิดเราเท่านั้นอนาคตก็แค่อยู่ในความคิดเราเท่านั้นมันไม่มีอยู่จริง ความที่มีอยู่จริงก็คือขณะดนี้เดี๋ยวเดี the the ๋ยวนี้ที่นี่เดี uh ๋ยวนี้เนี่ยคือขณะแห่งความจริงนะจริงๆแล้วคนเรามีอยู่แค่อย่างเดียวเท่านั้นคือความจริงในขณะนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้หรือขณะนี้เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะนี้เท่านั้นนี่คือปัจจุบันนะแต่ว่าเราสามารถอยู่กับเขาได้ไหมนะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันถ้าจริงๆแล้วมันมันไม่ต้องคิดนะอย่างอย่างเช่นตอนนี้เรานั่งนะเราไม่ต้องคิดว่าเรานั่งเพราะเรา นั่งอยู่แล้วคือความจริงเราเพียงจะรู้ว่าเรานั่งเท่านั้นเองนะแต่ถ้าเร า, มาเมื่อวานนี้เราทานข้าวกับอะไรใช่ไหมเราก็ต้องไปคิดหรือพรุ่งนี้เราจะกลับยังไรเนี่ยเราก็ต้องไปคิดนะนั้นคือไม่ใช่ความจริงเพราะความจริงเป็นสิ่งเราไม่ต้องคิดเป็นเป็นแค่เรารู้เท่านั้นเองนะหรือบางท่านกำลังยกมือนะเราก็ไม่ต้องไปคิดว่าเรากำลังยกมือแต่นั่นคือความจริงขณะนี้ ว่าเรากำลังยกมืออยู่แล้วเราก็แค่รู้เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นการที่เร า, ากลับมารู้ในขณะปัจจุบันนี่แหละมันจึงไม่ต้องอาศัยความคิดมันเป็นอาศัยความรู้เท่านั้นเองเมื่อเรามีตัวรู้เกิดขึ้นนะความหลงก็ลดไปน้อยไปหรือหมดไปเนะพราะเราอาศัยอยู่แค่รู้เท่านั้นเองนะมันไม่ได้อาศัยความคิดนะอย่างที่บอกแล้วถ้าเราคิดนี่แหละมันจะเข้าไปเด น, นดีหรืออนาคตเพราะนั้นการที่เรามาเจริญสติรู้อยู่กับปัจจุบันนี่แหละ มันจะเป็นความที่เรียกว่าเราอยู่กับปัจจุบันล้วนๆนะแล้วมันก็ไม่ต้องใส่ความคิดเลยมันจะกลายเป็นตัวรู้ที่มันต่อเนื่องกันเป็นการสะสมตัวรู้ที่มันจะเพิ่มขึ้นในแต่ละขณะแต่ละหนะ้าแล้วก็เป็นการเขย่าท่านรู้ให้เขาโตขึ้นมานะเมื่อท่านรู้ถูกเขย่าโตขึ้มาแล้วมันก็จะไปรู้ทันความคิดนะรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆนะเช่นความโลภความโกรธความหลงที่จะเกิดตามมา และนั่นแหะคือหนทางแห่งการที่เรารู้ทันอารมณ์เหล่านั้นเมื่อรู้ทันอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์เหล่านั้นก็จะค่อยๆลดน้อยลงลดน้อยลงนะจนกระทั่งอาจจะหายไปใ น, ในที่สุด น, นี่คือการเพิ่มทักษะในการที่เราจะรู้ทันอารมณ์ต่างๆได้นะก็โดยการที่กลับมารู้อยู่กับปัจจุบันโดยอาศัยกายเนี่ยเป็นหลักนะคือการเคลื่อนไหวเป็นต้นกลับมารู้ในยืนเดินนั่งนอนนะดื่มกินพูดคิด คู่แขนเหยียดแขนก้มเงยเหลยวซ้ายแหล่ขวาเดินหน้าถอยหลังเนี่แหละเป็นอาศัยกายที่ให้อยู่กับปัจจุบันเมื่ออยู่ปัจจุบันแล้วก็ <c oughs> จะก็ <c oughs> จ, ะ <c oughs> จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาได้เนาะเป็นเป็นให้เรารู้ทันในสิ่งต่างๆที่จะตามมาเ <c oughs> พราะฉะนั้นเพียงแต่เราเฝ้ารู้นะเราเราเราเฝ้าดูเฝ้ารู <c oughs> ้การที่เราแค่เฝ้าดูเฝ้ารู้น่ะเราก็จะเห็นธรรมะในที่สุด เห็นกายเคขึ้นไหวเห็นใจนึกคิดนี่แหละดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมมันเป็นหนทางที่เราเราเฝ้าดูกายในการเคลื่อนไหวในจิตที่นึกคิดเท่านั้นเองเราก็จะเข้าถึงธรรมได้มันมันเป็นสิ่งที่ว่ามันไม่ยากเกินไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ไปปฏิบัติที่ไหนเลยอยู่ในกายเราในใจเรานี่แหละใช่ไหมแล้วก็ไม่ใช่ว่าพระเจ้าบอกในสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เรามาปฏิบททัติธรรมที่วัด <c oughs> หรือที่สํานักปฏิบัติที่ไหนแต่ว่าท่านให้เราอยู่กับ ตัวเราเองในชีวิตประจำวันในชีวิตของเราจริงๆนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก็คือเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ตลอดเวลานะมันไม่ใช่ว่านี่คือเวลาปฏิบัตินี่คือเวลาพักนี่คือเวลาอยู่วัดนี่คือเวลาอยู่บ้านนะแต่ว่าเราก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่ทุกวันอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ดื่มกินพูดคิดนะคู่แคร์เยดแครทุกวันอยู่แล้วเนะี่ยเราก็กลับมาแค่ มีใจรับรู้ว่าขณะนี้เรากาลังทำอะไรอยู่เท่านั้นเองนะเพราะปกตินี่ใจจะไม่รับรู้น ะ, ะมันจะเป็นความเคยชินไปเนะช่นเราแปลงฟันแล้วก็แปลงฟันด้วยความเคยชินมันไม่ได้เกิดการรับรู้หรือเกิดการตั้งใจที่จะรู้ในตรงนั้นขึ้นมานะมันกลายเป็นความเคยชินตลอดเราก็เปลี่ยนจากความเคยชินนันหละมาให้ใจรับรู้ในการเคลื่อนไหวเท่านั้นเองนะมันก็จะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมา แล้วก็จะเกิดความที่เรียกว่าเราสามารถที่เห็นกายเห็นใจได้อย่างต่อเนื่องกันเนาะมันเป็นการเรียกว่าปฏิบัติได้ต่อเนื่องกันทั้งวันอยู่แล้วเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งว่าอยู่ในชีวิตจําบันของเราอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าเราต้องหาเวลาไปปฏิที่ไหนก็หาไม่ใช่ไหมถ้าเราเข้าใจเช้นนี้มันจะเป็นคอที่เรียกว่าเราไม่ได้จบในวันพรุ่งนี้แต่เราสามารถทำได้ตลอดชีวิตของเราคือตลอดชีวิตเรานะมันเป็นความเคยชินที่เราเคยทํามาตลอดเราก็เปลี่ยนจากความเคยชินมา ก า, การเป <response. S 1> ็นการรับรู้เท yeah, ่านั้นเองนะเพราะการรับรู้ที่ว่าเราเป็นขณะปัจจุบันเท่านั้นปัจจุบันนี่แหละเป็นที่นี่เดี๋ยวนี้เท่านั้นเองนะเรากลับมาตรงนี้ปั๊บมันไม่ต้องใส่ความคิดเลยมันแค่เป็นความรู้เท่านั้นเองนะมันเป็นการตัดความคิดออกไปแต่เราก็ไม่ได้ไปห้ามความคิดนะจะไปห้ามความคิดก็ผิดอีกมีความคิดก็รู้ว่ามีความคิดนะอันนี้ก็เป็นการปฏิบธรรมแล้วเนาะ ต่อมาพระเจ้าก็บอกว่าให้รู้ในเวทนานเวทนาก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมาสุ ข, ขเวทนาก็คือรู้เฉยๆรู้ในความเป็นกลางในสิ่งเหล่านั้ น, นเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วนั้นเราก็มีในกายในใจนี่แหละมันวันหนึ่งมันก็มีสุขมีทุกขปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราว่าเข้ามาชั่วคราว เขาก็ไม่ได้อยู่กับเราถาวรนะความสุขความทุกข์นี่แหละแล้วเราก็ไม well> ่ใช่ว่าเราจะไปหวังให้เขาอยู่กับเรานานๆได้นะเรามีความสุขอยากให้อยู่กับเรานานๆเขาก็ไม่อยู่เขาก็ไปความทุกข์เกิดขึ้นมาเราอยากให้เขาไปเขาก็อยู่กับเราเนาะสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เราเห็นว่าเราบังคับเขไม่ได้ให้เห็นว่าความสุขความทุกข์นั้นเกิดขึ้นมาชั่วคราวบังคับบัญชาก็ไม่ได้เขาจึงไม่ใช่ตัวเมตตตนของเราให้เห็น สิ่งสภาว่าเรานี้ว่าไม่ใช่ตัดบุคคลตัวตนเราเขาต่อมาก็ให้รู้ในในเรื่องจิตในเรื่องจิตก็คือพระพุทธเจ้าบอกว่ามีราคะก็รู้ว่ามีราคะมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะไม่มีราคะก็รู้ไม่มีราคะไม่มีโทสะก็รู้ไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็รู้ว่าไม่มีโมหะก็คือจิต มีอาการเช่นใดก็ให้รู้ไปตามอาการเช่นนั้นตามความเป็นจริงพรนะพุทธเจ้าไม่ได้ให้เราไปทไมไม่ได้บอกว่ามีราคะก็ให้ละราคาะมีโทสะก็ให้ละโทสะมีโมหะก็ให้ละโมหะนะแต่ท่านให้เรารู้เท่านั้นเองนะตรงนี้เราเราแค่รู้เท่านั้นเองนะเรา อย่างเช่นตอนนี้เรามีความคิดเราก็รู้ว่าเออขณะนี้มีความคิดเกิดขึ้นมาแล้วนะมีความโกรธเกิดขึ้นมาก็รู้ว่าขณะนี้มีความโกรธขึ้นมาแล้วนะมีความโลภความหลงก็รู้ว่าขณะนี้มีความโลภความหลงเกิดขึ้นในใจแล้วอันนี้เป็นการปฏิบัติธรรมแล้วนะมันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นอย่างที่มาไม่ก็จะไปประสานกับที่เรื่องกายเรื่องกายก็แค่รู้รู้เท่านั้นเองพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้ให้ทำอะไรแปลก ให้เดินช้าๆหรือเดินเร็วๆหรือให้ทำนู่นทำนี่ช้าๆหรือทําเร็วๆแต่เราแค่รู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเรื่องจิตก็เหมือนกันท่านก็ให้เรารู้ตามความเป็นจริงเท่านั้นเองว่าขณะนี้มีอะไรเกิดขึ้นในใจของเรานะจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นมา บ, บ่อยๆเกิดมาทั้งวันอยู่ที่ว่าเราจะสังเกตก็ได้ไหมนะแต่ก็นนี้ถ้าเรามาเริ่มที่เรื่องจิตโดยตรงนะมาคอยสังเกตดูจิตโดยตรงคอยดูความคิด ดูอารมณ์ต่างๆความกโกรธต่างๆโดยตรงถ้าเราดูไม่เป็นเขาก็จะกายมุสลคอยไปเพ่งไปจ้องเขาเขาก็จะไม่แสดงความจริงให้เราเห็นนะเขาเรียกว่าเราจะไปตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยดูก็ไม่ได้นะมันก็ว่าถ้าฝนยังไม่ตกเนี่ยเราจะไปกลางลมไม่ได้นะเรามีหน้าที่ตามรู้เขาเท่านั้นเองแล้วการตามรู้ก็ต้องตามตามรู้แบบสบายๆรู้ตามความเป็นจริงด้วยนะเพราะนั้นเราเราจึงไป คอยจ้องดูจิตไม่ได้นะแต่ก็ใส่การเคลื่อนไหวในทางกายนี่แหละเป็นเครื่องรู้แทนนะเพราะเราเมื่อมารู้ในการเคลื่อนไหวทางกายต่างๆแล้วนะเราก็จะไม่ไปเพ่งจิตนะพอจิตมีความคิดเกิดขึ้นเราก็จะรู้ทันนะรู้เป็นการรู้ตามแล้วเราจะรู้ได้ไวเพราะว่าเรามีอ่าเรามีการเคลื่อนไหวนะเป็นเครื่องอยู่ของจิตอยู่แล้วนะการที่เรารู้ในการเคลื่อนไหวเรียกว่าเป็นความรู้สึกตัว เป็นเครื่องอยู่ของจิตนี่แหละพอจิตหลุดไปในอดีตหรืออนาคตเราก็จะรู้ทันเพราะเรามีหลักมีหลักอยู่แล้วพอรู้จากหลักเขาก็รู้ทันนะแล้วก็กลับมาได้เร็วเร็วขึ้นเราก็จะสังเกตอารมณ์จิตใจได้เร็วขึ้นนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เราเข้าสู่จิตตานุปัสสนสติปัฏฐานโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าความคิดนี่เขาเกิดทั้งวันอยู่แล้วนะบางท่านบอกว่าเออทำไมมาไปวิบัติธรรมแล้ว ทำไมคิดเยอะว่าเก่าอีกนะอยู่บ้านมันไม่ให้คิดเยอะอะไรเช่นนี้เลยอะนั้นพอเราเริ่มเห็นความคิดแล้วนะเราจะเริ่มเห็นความคิดแล้วหนะลวงพ่อเทียนบอกว่ายิ่งยิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะเนะพราะวิธีการนี้เราจึงไม่ได้ทำให้จิตสงบแต่เราเป็นการเขย่าท่านรูนะ้ในการที่เราจะรู้กายนะเรารู้ใจเป็นการที่เรียกว่าเปลี่ยนจากหลงมาเป็นรู้นั่นเองนะอย่างที่ว่านะเพราะเมื่อก่อนเราจะทําด้วยความเคยชินนะความเคยชินมันเป็นความหลงแล้วก็เปลี่ยนมารู้นะ กลับมารู้เท่านั้นเองก็กายเรารู้กายเรารู้ใจด้วยนะโดยที่เราไม่ได้ไปเพ่งไม่ได้ไปตั้งใจแต่อย่างใดทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นสภาวะที่เราสามารถที่จะเห็นได้โดยตัวเราเองนะการที่เราเห็นอารมณ์ บ, บ่อยๆนะั่นแหละมันมันจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยสามารถที่จะมีทักษะในการที่เราจะรู้เท่าทันได้ไบ่อยๆนะจากการที่เมื่อก่อนเราห้นาทีเราอาจจะคิดไปถึง5เรื่องสิบเรื่องนะนะเพราะว่าเราเราหลงไปยาวใช่ไ แต่ว่าเมื่อเราเราเร า, เราเห็นเขาเนี่เห็นความคิดเขาก็จะสั้นลงนะจากห้าเรื่องเนี่ยอาจจะเหลือแค่สองเรื่องนะถ้าเรารู้ได้ไวก็คิดไปเรื่องเราก็รู้ทันแล้วนะแล้วก็คิดครึ่งเรื่องเราก็รู้ทันแล้วนะมันจะตัดความคิดให้สั้นลงไปเรื่อยๆจากการที่เรารู้นี่แหละเป็นการแค่รวยเฉยนะแค่เรารุยเฉยมันก็จะตัดสั้นลงไปเรื่อยๆนะหรืออารมณ์ต่าง ๆ, gerne, ๆเช่นความโกรธเหมือนกันความโกรธถ้าเราไม่มีสตินี้มันก็ จะเข้าไปในความโกรธได้เร็วนะได้เร็วและแรงนะเช่นยกตัวอย่างความโกรธเป็นเลขห้านะนะเวลาสมมติมีใครเร้มาดาเราปับ๊บเนี่ยเราก็จะโกรธเลยนะก็เข้าสู่เลข5เลยนะแต่ก่อนจะถึงเลข5ต้องผ่านเลขหนึ่งสสาี่ก่อนอันนี้เราเราสามารถเห็นได้ไหมนะแต่เมื่อเราเป็นผู้ที่สามารถที่จ ะ, ะมีสติพอสมควรแล้วนะเราจะสังเกตเห็นนะมีใครมาดา่าเราปุ๊บเราเห็นความหงุดหงิด ความขัดเคืองความไม่พอใจเกิดขึ้นในขณะนั้นนะก็คือเราสามารถเห็นเลขเลข1เลข2เลข3ก่อนก็คืออารมณ์ที่มันก่อนจะถึงความโกรธนะตรงนี้เราสามารถเห็นได้นะเมื่อเราเห็นปุ๊บนะพรนะพุทธเจ้าพูดไปถูกต้องเลยนะโกรธก็รู้ว่าโกรธเราเห็นปั๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะจากการที่เราสามารถเห็นนี่แหละมันจะลดลงไปในตัวโดยตัวเขาเองนะมันจะไม่แรงมันจะไม่เข้าสู่เลข5มันจะหยุดเลยนะแล้วมันก็จะกลับมาถอยหลังเป็นเลข1 ห, หรือเลข0ูนได้ จากการแค่เราเห็นมันเท่านั้นเองนะมันเป็นสนุงหรือว่าเป็นความอัศจรรย์นะโดยที่เราไม่ไปยุ่งอะไรเขาเลยแค่เราดูเราเห็นเฉยๆเท่านั้นนะแค่แค่เฝ้าดูก็รู้ทำเนาะนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆก็คือเลข5ทั้งหมดนะเพียงแต่เรารู้ทันนะเขาก็จะหยุดนะเขาจะไม่เดินทางต่อนะเพราะจริงๆแล้วนะเราระดับเราแล้วก็รู้ว่ า, าความโกรธก็คือความทุกข์นั่นเองนะเราโกรธใครแล้วก็จะมีความทุกข์คือในใจเราเนี่ยเขามี ข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วนะเพียงแต่เราให้แค่รู้เท่านั้นเองนะเขารู้ปั๊บเนี่ยเขาก็จะเกิดข้อมูลขึ้นว่าเออนั่นแหละคือความทุกข์คือความไม่ดีแล้วก็ก็หยุดจะหยุดได้เองแต่ถ้าเราเราไม่ไม่เบรกในตรงนี้ปั๊บนะอ่าถ้าเรารู้ไม่ทันตรงนี้ปับ๊บเขาก็จะแสดงอาการต่อไปเรื่อยๆจากเลข5ไเป็นเลข 6, เลข7เลข8เลข9้าเลข10ไปเลยนะอย่างที่หลวงพ่อคำเขีนก็เคยเล่าไว้ว่าสมัยก่อนที่จังหวัดเลย ก็มีมีลูกสะพ้ยกับกับพ่อสามีก็พ่อสามีก็ไปด่าลูกสะพ้ยลูกสะพ้ายก็โกรธก็เลยไปไปฟ้องสามีตัวเองว่าพ่อพ่อพ่อผัวด่านะสามีก็โกรธก็สะายปืนลูกซองขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยนะไปไปหาพ่อตัวเองด้วยความโกรธก็ปืนจ้องพ่อบอกอย่ายิงอย่ายิงลูกชายก็ยิงใส่ไปเลยพอะลูกชายยิงพ่อตัวเองตายก็ เกิพื่อเกิดสติคือมันรู้ตัวว่ า, าไปยิงพ่อตัวเองแล้วก็เสียใจนะร้องไห้คำควรไปกอดสุดพ่อนะแล้วก็รอตำรวจจับไปขังคุกนะอันนี้เพราะาอะไรเพราะว่ารู้ไม่ทันความโกรธที่เกิดขึ้นคือรู้ไม่ทันเลข5้าก็กลายเป็นเลข6เลข7ถึงเลข10ไปฆ่าพ่อตัวเองตายนะอันนี้อันนี้คือตัวอย่างอย่างหนึ่งนะซึ่งจริงๆแล้วเหตุการณ์แบบนี้มีอยู่มากมายในโลกทุกวันนี้แม้แต่คนไม่รู้ไม่รู้จักกันก็ฆ่ากันได้ เพราะว่าเรารู้ไม่ทันความโกรธนั่นเองนะมันสําคัญนะเรารู้ทันความโกรธกับรู้ไม่ทันถ้ารู้ไม่ทันมันก็ไหลเข้าไปในความโกรธแต่พอรู้ทันปุ๊บมันก็หยุดได้ใช่ไหมถ้าลูกชายนี่เกิดรู้ทันความโกรธขนาดนี้เรากดแล้วนะคือมันต้องรู้ว่าขนาดนี้เราโกดขึ้นมาแล้วมีความโกรธปรากฏขึ้นมาในใจแล้วเนี่ยมันจะหยุดได้แต่ถ้าเราไม่รู้ความโกรธมันก็จะไหลเข้าไปในความโกรธเพราะคนเรามันมีความโกรธนะมันจะไหลเข้าไปเลยแต่ถ้ารู้ว่าขณะเนี้เกิดอะไรขึ้นในใจขณะนี้อ มีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะก็คือให้รู้ว่ามีนะมีความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บมันจะหยุดแล้วมันก็สามารถที่จะหยุดแล้วมันจะดับไปได้ห ร, หรือลดน้อยลงไปนี่แหละคือการที่เราแค่รู้มันเท่านั้นเองเนาะถ้าเราถ้าเราทําตรงนี้ได้เราก็จะสังเกตว่าเออเนะี่ยมันความทุกข์เราก็จะเริ่มลดลงไปแล้วจากเมื่อก่อนที่เราเป็นคนโกรธเก่งมันก็กลายเป็นคนโกรธไม่เก่งนะเป็นคนที่ความโกรธลดน้อยลง ในขณะเดียวกันเรารู้ทันกิเลสต่าง ๆ, ๆกิเลสก็จะพลอยลดลงลดลงลดลงการที่กิเลสทั้งหลายลดลงนั่นแหละก็คือความทุกข์ที่มันลดตามลงไปด้วยนะ <c oughs> เราก็จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงในตรงนี้ได้จากการที่เป็นคนใจร้อนเราก็จะเริ่มใจเย็นขึ้นจากการที่เรามีความโลภความโกรธ ต, ต่าง ๆ, <c oughs> ๆเราก็จะกลายเป็นคนมีเมตตามากขึ้นซึ่งเราสามารถสังเกตได้ต่อมาถ้าหากว่าจิตเราสามารถที่จะเห็นอารมณ์ต่างๆเหล่าเนี้ยได้นะ ในสุดล้วก็จะเห็นสภาวะธรรมที่เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปอันเป็นธรรมานุปัสสนสติปัฏฐานก็คือในสติปัฏฐานอันดับสุดท้ายคือธรรมนะก็คือเราจะเห็นสภาวะที่ว่าเออความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยที่เรานะบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะคือเรื่องธรรมานี่เป็นสภาวะในการเห็นนะการดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของสภาวะธรรมต่างนะเช่นนะอะลิสัตซีนะ น า, นะาเวทนานะ <c oughs> แล้วก็นะอายณนะหกผชงเจนะเป็นต้นนะสิ่งต่างๆเราเนี้ยก็คือเห็นสภาวธรรมที่เขาเกิดดับนะทุกๆสภาวธรรมนะมันก็จะรวมอยู่ในธรรมะในข้อนี้ทั้งหมดเลยเพราะงั้นการที่เราเห็นนะความโกรธเกิดขึ้น <c oughs> แล้วก็ดับไปนะนี่ชื่อว่าเราเห็นธรรมะ ในระดับทำอนุปัสนาสติปทานแล้วนะหรือเห็นธรรม ใ, ใดๆที่เกิดระดับนะความคิดเกิดระดับนะตรงนี้เราจะเข้าถึงระดับของธรรมระดับของธรรมนี่เราจะเป็นธรรมระดับที่เรียกว่าถอดถอนนะความเข้าใจผิดในความเป็นตัวตนของเรานะในสุดเราจะเห็นเราบังคับบัญชาสิ่งต่างๆก็ไม่ได้เลยนะมันจะเห็นสภาวธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตา อย่างเช่นเราปฏิบัติธรรมแล้วเราจะเห็นว่า อ, อจริงๆแล้วมันก็แสดงถึงความไม่เที่ยงแล้วนะเมื่อวานปฏิบัตนะิธรรมได้ผลดีนะมีสติมีความรู้ตัวบ่อยๆมีเรื่อยๆทั้งวันนะแต่พวันนี้เราจะรู้สึกว่ามั น, มนไม่ค่อยดีแล้วมันไม่เหมือนเมื่อวานนะแล้วเราก็อาจจะมีความทุกข์ว่ามันทําไมไม่ไมดนะีแต่ถ้าเราเข้าใจในสภาวะธรรมที่ว่าอาบังคับบัญชาไม่ได้เขาจึงมีความไม่เที่ยงนะเราก็เห็นว่าเ อ, อนี่แหละคือความไม่เที่ยง พอเราเห็นตรงนี้ปุ๊บมันจะเกิดปัญญาเลยว่าเนี่ยพรเราเห็นุนี่เพราเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้ <Radio> เขาจึงไม่ตัวไม่ตนของเราเนาะเราก็จะเห็นความคิดที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ระดับไปนะเราจะเห็นว่าเราบังคับก็ไม่ได้จริงๆเพราะว่าความคิดนั้นเราบังคับก็ไม่ได้อย่างแน่นอนเรายังไม่รู้เลยว่านาทีข้างหน้าเราจะคิดเรื่องอะไรนะนะีนะ่แหละเราจะเห็นตรงนี้ บ, บ่อยๆเออถ้าเราเดินจงกรมเราจะเห็นความคิดแวบไปแวบมาอยู่ตลอดเวลานะ การเนี่ยลงพ่ที่หบอกว่ายิ่งคิดยิ่งรู้รู้เท่าไหร่ไรรู้เพะะื่อ เ, เราสามารถที่จะเริ่มเห็นความคิดได้แล้วพอเห็นความคิดได้ไบ่อยเราจะเห็นภาวะธรรมที่เขาเกิดดับโดยตัวเขาเองนะเขามาแล้วก็ไปเขามาแล้วไปอันนี้ไม่ใช่เราทํางานแน่นอนนะความที่เราตั้งใจคิดก็เป็นสิ่งเราตั้งใจคิดแต่สิ่งเราไม่ตั้งใจคิดก็คือเป็นความหลงนะเป็นความหลงหรือว่าเข้าเกิดขึ้นเองข้งนั้นนะเราก็จะเห็นความเกิดความดับของความคิดนี่แหละ อันนี้แสดงถึงว่าระบังคับบัญชาเขาไม่ได้นะเขาจึงไม่ตัวไม่ตนของเราในขณะเดียวกันความโกรธกัเหมือนกันนะเขามาจริงๆแล้วเขามาแล้วเขาก็ไปของเขาของเขาอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปจัดการให้เขาไปหรอกใช่ไหมแต่ว่าการที่เราเห็นเขามาแล้วเขาไปโดยตัวเขาเองโดยที่เราไม่จัดการนั้นจะเกิดปัญญาในระดับหนึ่งว่านี่แหละเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปโดยตัวเขาเองไม่ใช่ตัวไม่ตนของเรานะ แต่เราไปจัดการให้เขาดับไปนั่นแหละมันจะกลายว่าเราสามารถที่จะบังคับบัญชาเขาไดนะ้ความเป็นตัวตนของเราก็จะเกิดขึ้นมาอีกนะเพราะฉะนั้นการบันทามันคือให้เราเห็นสภาวะตามความเป็นจริงโดยที่เขาสามารถที่จะทําให้ใจเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าใจในสภาวะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปของสิ่งต่างโดยตัวเขาเองไม่ใช่นะเกิดจากฝีมือเราไปกระทําในตรงนั้นมันจะได้เกิดการปล่อยการวางการไม่ยึดติดว่าเราสามารถไปจัดการเขาได้นะ โดยการอย่างไรนะเมื่อมีความโกรธขึ้นมาแล้วก็ให้ครูบาาจารยให้รู้เฉยๆหรือรู้ซื่อๆเท่านั้นเองนะการเรีรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนั่นแหละมันมันเป็นการเรียกว่าสักแต่ว่านะสักแต่ว่านะคําว่าสักแต่ว่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องคําเล็กๆน้อยๆนะอย่างพระพา ย, ยะเนี่ยพระพายยะนี่ก็ท่านก็ไปฟังธรรมอย่างพระเจ้าขอฟังธรรมหนึ่งสครั้งพระเจ้าก็แสดงธรรมว่าภระพายยะ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 เข้ามากแต่วันนั้นก็คือรู้เฉยๆนะรู้เฉยๆหรือรู้ซื้อๆนี่แหละนะพอเรากลับมารู้เฉยๆรู้ซื่อๆเราก็จะเห็นสภาวะธรรมที่เขาเกิดระดับได้เองนะอันนี้เราต้องใจเย็นๆนะบางทีมีความโกรธเราใจเย็นแล้วก็รู้เข้าไปเรื่อยๆเขาดับไม่ดับก็ไม่เป็นไรเรารู้ก็เราไม่น้าที่ใครรู้เท่านั้นจะจริงๆพอเรารู้ปุ๊บนะถ้ามีกําลังสติเขาก็จะดับไปได้เองแล้วแต่ถ้าไม่ดับนะเราก็ดูไปนะเขาก็แสดงความดับให้เราเห็นนะตรงนี้ เราจรึงเกิดความเข้าใจว่าถ้าหากว่าความโกรธเป็นของเรานะเขาก็ต้องอยู่เราตลอดกาลนานนะแต่ในที่สุดเขาก็มาแล้วก็ไปนี่จะเกิดปัญญาว่าเออเขาเขาเราบังคับบัญชาก็ไม่ได้นะเขาความโกรธก็จริงไม่ใช่ของเราด้วยนะทุกอย่างเราบังคับบัญชาไม่ได้หมดเลยนะมันจะเห็นความจริงตรงนี้ไปเรื่อยๆในการปฏิบัติธรรมและในสุดก็ดจิตก็จะเกิดการปล่อยกันวางจะไม่ให้ค่าในรมต่างๆนะอันนี้มันจะเป็นคนทางที่เรกว่าทําให้ทุกข์เนี่ยความทุกข์ต่างๆน้อยลงนะ การที่เรามาปฏิบัติธรรมทั้งหมดก็เพื่อให้เห็นปัตยรักนะเพราะฉะนั้นปัตยรักในความที่เรียกว่าไม่ใช่ตัวไม่ตนแล้วจิตก็ค่อยๆคลายกำหนัดค่อยๆปล่อยค่อยๆวางไปเรื่อยๆนะในสุดก็จะเข้ามาสู่ที่พระเจ้าได้ทรงสรุปไว้ว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นนะมันก็กลายเป็นการปล่อยกันวางนะเพราะการปฏิบัติธรรมนี้ก็คือเราไม่ได้บัดเพื่อที่จะต้องการสิ่งใดสิงหนึ่งนะ อันนั้นเป็นตันหาแต่เป็นการปฏิบัติด้วยฉันทะนะฉันทะคือมีความพอใจใ น, ในการปฏิบัติธรรมถ้าเรามีความปรารถนาที่ต้องการสิ่งใดในการปฏิบัติธรรมสักอย่างหนึ่งนะมันจะทำให้เมีความทุกข์นะเพราะว่าเมื่อปฏิบัติแล้วเราไม่ได้ในสิ่งเราต้องการเราก็มีความทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่าความปารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นแหละคือความทุกข์แต่เมื่อเราได้สิ่งเราต้องการแล้วเราก็มีความทุกข์อีกเพราะว่าเขาก็ไม่เที่ยงเขาก็ตกในกฎปไตยลักษณ เพราะนั้นจิตเราจรึงต้องยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีนะเราก็ยอมรับเข้าไปเพราะาเราบังคับเขาไม่ได้เลยเราไม่น่าที่ตามรู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นนะอันนี้มันจะเข้าสู่กระแสของไัยธรรมคืออ่พาพระไตรลักษณ์ที่ว่าความไม่เที่ยงอ่านะแล้วก็ไม่อาจจะทนในภาวะเดิมได้แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ถ้าจิตเราตกเข้าไปในกระแสแล้วมันจะเกิดการยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนาะ มันจะยอมรับทุกอย่างสิ่งนั้นดีก็ได้สิ่งนั้นไม่ดีก็ได้มันจะเกิดการยอมรับเกิดขึ้นเมื่อเกิดการยอมรับในระดับหนึ่งแล้วมันก็จะไม่ติดยึดในสิ่งใดนะไม้แต่ความดีความชั่วความถูกและความผิดเพราะว่าการที่เราไปยึดในสิ่งใดมันก็เป็นความทุกข์ทั้งนั้นนะเราเราไปยึดในความดีนะเราก็จะไปเพ่งโทษคือคนที่ทําไมด่ดีมันก็เป็นความทุกข์แล้วนะเราไปยึดในความถูกแล้วก็จะไปเพ่งโทษในคนที่ทําไม่ถูกนี่แหละคือความทุกข์นะ เพรา ะ, ะนั้นถ้าจิตไปติดในสภาวะรมอะไรก็แล้วแต่ น, ะ <c oughs> นั่นแหละเป็นภพเป็นชาติที่เราจะต้องไปเวียนว่ายใจเกิดในภพชาติเหล่านั้นเราไปติดในความดีความถูกเราก็ไปมีเป็นภพเป็นชาติที่ว่าเราจะต้องไป อ, อยู่ในภพชาติเหล่านั้นนะเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างใช่ไหมนั่นแหละก็คือหนทางแห่งความไม่พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าถึงสภาวะที่ว่าเร า, าเข้าใจในสภาวะที่เราเป็นการปล่อยการวางการมียึดติด เราก็จะไม่มีแง่มุมไหนที่เราจะไปติดอยู่ในแง่มุมต่างๆซึ่งแง่มุมต่างๆนั้นคือคือพบคือชาติทั้งนั้นเลยเพราะมันเป็นความยึดมั่นคือความติดอยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งนะสภาวะต่างๆนั่นแหละมันจึงเขาเรียกว่าเป็นอะไรกับไรนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในตรงนี้เราก็จะไม่เป็นอะไรกับไรอย่างที่หลวงพ่อพรมเงคีนนัานบอกนะไม่เป็นอะไรกับไรไม่มีไม่เป็นอะไรกับไรเพราะว่าจิตท่านไม่ได้ไปติดใน สภาวธรรมสภาวใดสภาวหนึ่งทั้งดีทั้งชั่วทั้งถูกทั้งผิดนะและนี่แหละคือความพ้นทุกข์ท้ายจริงนะก็คือความที่เราไม่ติดข้องกับทุกสภาวธรรมนะเมื่อไม่ติดข้องกับทุกสภาวธรรมแล้วมันจะไม่มีภพชาติที่จะไปรองรับในตรงนั้นอยู่นะเพราะฉะนั้นใ น, ในโอกาสนี้ก็ขออาราธนาบารมีคุณพระตาไตรนะมาน้อนมนํำให้ทุกท่านจเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันุกท่านเทิน